นมาถุรัตนตยศขออนอบน้อมต่อพระรัตนตรยสวัสดีครับท่านผู้สนใจในธรรมะทุกท่านวันนี้เรียนฉวิโสธนะสูตรต่อจากคราวที่แล้วนะครับฉวิโสธนะสูตรพระสูตรว่าด้วยเรื่องการ ทำให้กระจางในหกประเด็นด้วยกันซึ่งกล่าวเหตุการณ์ขึ้นมาถ้ามีภิกษุบางรูปในพระธรรมวินัยนี้พยากรณ์อรหัตผลพยากรณ์ว่าตนเองเป็นพระอรหันต์โดยใช้คำว่าขีนาชาติชาติสิ้นแล้ววุสิตังพรหมจรยังพรหมจันทร์อยู่จบแล้วกตังกรณียังกิจที่ควรทม ได้ทำเสร็จแล้วนาปรังอิทัตายะไม่มีกิจอื่นที่ต้องทำอีกต่อไปแล้วถ้ามีภิกษุบางรูปพูดขึ้นมาอย่างนี้ถ้าได้ยินได้ฟังท่านพูดขึ้นมาอย่างนี้ก็อย่าพึ่งไปยินดีอย่าพึ่งไปปฏิเสธครั้นไม่ยินดีไม่ปฏิเสธแล้วก็พึงถามปัญหาใน6ประเด็ดนนี้เพื่อชาระ ทำให้กระจางในเรื่องความเข้าใจของภิกษุนั้นนะครับซึ่งถ้าท่านเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมหรือว่าได้เป็นพระอรหันต์อย่างแท้จริงก็จะสามารถตอบได้ตามที่สมควรนะแต่ก็ไม่ได้เป็นการที่เราจะไปรับรองท่านว่าเป็นอรหันต์หรือไม่เป็นเวลาท่านตอบมาก็เราเพียงแต่บอกว่าสาธุคือดีแล้วดีแล้วส่วนจะเป็นหรือไม่เป็นนั้นอีกเรื่องหนึ่ง อย่างน้อยในสิ่งที่ถามไปท่านก็ตอบได้ก็ถือว่าเป็นความดีแล้วหรือว่าเป็นสิ่งที่ใช้ได้แล้วอย่างนี้นะแต่ไม่ได้ไปบอกว่าไปรับรองท่านว่าเป็นหรือไม่เป็นนะครับทีนี้ในคราวที่แล้วเราก็เรียนไปถึง4ประเด็นด้วยกันประเด็นที่หนึ่งก็คือถ้ามีภิกษุพยากรณ์ตนเองว่าเป็นอรหรันต ก็พึงถามท่านในเรื่องของโวหารสี่ประการที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้แล้วโวหารของชาวโลกพระผู้มีพระภาคตรัสเอาไว้ก็คือกล่าวถึงเรื่องสิ่งที่เห็นสิ่งที่ได้ยินสิ่งที่ได้ทราบแล้วก็สิ่งที่ได้รู้แจง้งถามท่านว่าท่านรู้ยังไงเห็นยังไงจึงมีจิตหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่น ในโวหารทั้งสี่เหล่านี้ถ้าท่านที่เป็นอรหันต์ท่านก็จะตอบว่าท่านรู้เห็นอย่างที่มันเป็นจริงไม่หลงไปยินดีไม่หลงไปยินร้ายไม่มีการเข้าไปอิงอาศัยในโวหารต่างๆเหล่านั้นไม่มีความผูกพันมีแต่จิตใจที่ไม่มีขอบเขตอยู่อันนี้สำหรับเรื่องโวหารชาวโลกเขาก็พูดพูดไปพระอรหันต์ท่านก็ไม่ยินดีไม่ยินร้าย ไม่เข้าไปอิงอาศัยหรือว่าไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับถ้อยคำของชาวโลกแต่ว่าใช้เพื่อการสื่อสารเท่านั้นเองนีเรื่องโวหารสต่อไปถามเรื่องอุปาทานขันทั้งหาขันทั้งห้าอันเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นว่าท่านรู้อย่างไรเห็นอย่างไรจิตจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอุปาทานขันทั้งห้า ท่านผู้ที่รู้จริงได้เป็นอรหันต์ท่านก็จะตอบว่าท่านรู้จักขันห้าตามที่มันเป็นจริงว่ามันเป็นของที่ไม่มีพระกาลังเป็นของที่หมดไปสิ้นไปเป็นธรรมดาเป็นของที่ก่อให้เกิดความหนักอกหนักใจทำให้จิตใจไม่โล่งไม่ปลอดโปรง่งถ้าไปหลงยึดมั่นถือมั่นมันก็จะต้องเป็นทุกข์วนเวียนไปเรื่อยๆ แต่ที่จริงขันทั้งหนี้เป็นของที่ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นของที่ปราศจากพระกําลังเมื่อรู้เห็นอย่างนี้จิตก็พ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอุปาทานขันทั้งห้าเมื่อท่านตอบมาอย่างนี้ก็สาธุนะก็คือดีแล้วดีแล้วก็ถามข้อที่สมต่อไปอีกเรื่องธาตุธาตุทั้งหอันเป็นพื้นฐานของ ชีวิตทั้งหลายคือธาตุดินธาต้น้ําธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุและก็วิญญาณธาตุถามว่าท่านรู้ยังไงเห็นยังไงจิตจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในธาต์ทั้งหนี้ผู้ที่รู้จริงท่านก็จะตอบว่าท่านรู้แล้วก็ไม่เข้าไปยึดธาต์ต่างๆเหล่านั้นโดยความเป็นตัวเป็นตนไม่ได้มีความเห็น ความเข้าใจผิดว่ามีตัวตนในาธาตุต่างๆเหล่านั้นเห็นว่ามันเป็นาธาตุเป็นสุญญาตาคือสิ่งที่มันว่างเปล่าจากความหมายของตัวตนเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วจิตจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในาธาตุทั้งหมดาธาตุทั้งหกนั้นาธาตุดินาธาตุน้ำาธาตุไฟาธาตุลมอากาศาธาตุและก็วิญญาณธาตุ นี่ข้อคำถามที่สต่อไปคำถามที่สก็ถามเรื่องอายตนะคือจุดเชื่อมต่อหรือว่าบ่อกเกิดที่ทำให้มีสิ่งต่า ง, า ง, างมีเรื่องราวต่างๆในโลกขึ้นมามากมายอาศัยตาไปมองดูเกิดโลกทางตาอาศัยหูไปฟังเกิดโลกทางหูอาศัยใจคิดนึกรู้สึกก็เกิดความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนี้แล้วแต่ ถามท่านว่ารู้อย่างไรเห็นอย่างไรจิตจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นในอาญตนะภายในหและอาญาตนะภายนอกหกท่านที่รู้จริงเป็นอรหันต์ท่านก็จะบอกว่าท่านได้รู้ตามที่มันเป็นจริงแล้วจนกระทั่งว่าฉันทะคือความพอใจราคะคือความกำหนัดนันทิคือความเพลิดเพลิน ตัณหาคือความทยานอยากความอยากได้ในเรื่องของอายตนะไม่มีอยู่แล้วนะรู้มันตามที่เป็นจริงว่ามันทั้งหมดทั้งมวงนั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาจนกระทั่งความเพลิดเพลินยินดีในการเห็นการเพลิดเพลินยินดีในการได้ยินการเพลิดเพลินในยินดีในการรู้สึกนึกคิดต่าง ที่จะไปมัวเพลิดเพลินยินดีในอายตนะที่มันต่อกันขึ้นมาเป็นครั้งครั้งก็ไม่มีมีแต่การที่สละคืนไม่มีอะไรเพลิดเพลินกับมันแหละด้วยการรู้การเห็นอย่างนี้แหละจิตจึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นอันนี้ก็เป็นคําถามและก็คําตอบชุดที่4ถ้าท่านต่อมาอย่างนี้ ก็บอกว่าสาธุคือดีแล้วดีแล้วนะครับในคราวที่แล้วเราก็เรียนมาสี่ประเด็นด้วยกันนะก็คือประเด็นคำถามเรื่องโวหารสี่อุปาทานขันทั้งห้าธาตุหกและอายตนะภายในภายนอกอย่างละหกอย่างละหกต่อไปวันนี้ก็จะเรียนในหน้าที่4บาลีข้อ102หลังจาก ถามคำถามเกี่ยวกับปัญญาแล้วว่าท่านมีปัญญาจริงนะถ้าตอบได้อย่างนี้ก็สาธุสาธุไปแล้วถามเรื่องปัญญาซะก่อนนะครับแต่ถ้าพูดว่าตนเองมีปัญญาแล้วถามเรื่องปัญญาไม่รู้เรื่องเลยอันนี้ก็เลิกคุยไปเลยนะแต่ตอนนี้ถามเรื่องปัญญาคือเรื่องโวหารว่าท่านไม่ติดข้องในโวหารต่างๆของชาวโลกไม่หลงยินดีไม่หลงยินร้ายไม่เข้าไปอิงอาศัย ถามเรื่องอุปาทานอขันธ์ทั้งห้าก็เห็นว่ามันเป็นของที่ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นของหน้าเบื่อนายถามเรื่องธาตุก็เห็นว่าไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวตนถามเรื่องอายตนะก็เห็นมันจนกระทั่งหมดความเพลิดเพลินยินดีไปนี่แสดงว่ามีปัญญาแล้วถามเรื่องปัญญาตอบได้ต่อมาก็ จะถามประเด็นที่ห้าและที่6พร้อมกันคือทําอย่างไรจึงจะหมดจากอาหางการมมังการและมานานุสัยได้จะสามารถถอนความรู้สึกว่าเป็นตัวเราเป็นของเราหรือว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ได้อันนี้ถามถึงกระบวนการหรือว่าวิธีปฏิบัติในตอนแรกสี่ประเด็นแรกถามเรื่องปัญญาว่ามีปัญญาจริงไหมรู้ความจริง อย่างที่พระพุทธเจ้าได้บอกเอาไว้ไหมนะโดยยกคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นมาเปรียบเทียบถ้าท่านรู้เห็นอย่างนั้นก็ตอบว่าสาธุนะครับทีนี้ต่อไปข้อ102ก็ถามถึงวิธีประพฤติปฏิบัติหรือว่าวิธีฝึกฝนจนกระทั่งถอนกิเลสได้ซึ่งกิเลสที่เราทั้งหลายต้องถอนก็มีอยู่สามตัวหลักๆเท่านั้นเองก็คืออหังการ มัมังการแล้วก็มานานุใสอาหางการก็คือความรู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนเราเป็นนั่นเราเป็นนี่นะเป็นตัวเราเป็นตัวเราอันแท้จริงมีตัวเราอย่างแท้จริงนะอาหางการมัมังการคือความรู้สึกว่ามีของเราอันนั่นของเราอันนี้ของเราเยอะแยะเหลือเกินนะ แล้วก็มานานุสัยคือความสำคัญตนสำคัญว่าเราเป็นนั่นเราเป็นนี่บางทีสำคัญว่าเราไม่สำคัญก็มีนะสำคัญว่าเราสูงสำคัญว่าเราต่ำสำคัญว่าเราดีเราไม่ดีเราถูกเราผิดอันนี้เป็นมานะเป็นความสำคัญตนสำคัญว่าเสมอเขาก็ได้สำคัญว่าต่ำกว่าเขาก็ได้สำคัญว่าสูงกว่าเขาก็ได้ อาการที่มีความสําคัญตนอันนี้เรียกว่ามานะอาหางการมามังการแล้วก็มานานุใสอันนี้กิเลสสามตัวนี้ก็จะถูกนามาตั้งคำถามเป็นคำถามข้อที่ห้ากับข้อที่6ในบาลีข้อหนึ่ง้สองนะครับเดี๋ยวเราอ่านในหน้าที่สี่บาลีข้อหนึ่งร้สองในย่อหน้ากัะถังชานโตแล้วก็ ขีณาสวัสสะนะครับสองย่อหน้าอ่านพร้อมกันนะครับกะถังชาณะโตปนายสมะโตกะถังปั ส, สโตอิมัตสม י นจะสวิญญาณเกกาเยบหิตาจะสับวะนิมิตเตสุอหังการะมะมังการะมา น, านุสยา สุสะมูหตาติขีณาสวัสดิพิคเวยพิคุโนวุสิต a วัโตกะตะการณียสสะโอหิตะบาลัสสะอนุปัตต a สั oh a สัตสะปริขีณภวะสัญโยชนัสสะสัมมาตัญญาวิมุตตสสะ อายะมนุธรรมโมโหติเวยากรนัยะปุเบโคอาหังอาวุโสอคาริยภูโตสมาโนอาวิศสุอะโหสิงตัสเมตถาคโตวาตถาคตาสาวโกวาธรรมมังเดเสสิ ตาหังธรร ม, มังสุตวาตถาคเตสัทธังปฏิลพิงโสเตนะสัทธาปฏิลาเพนะสั ม, มั น, นาคตโตอิติปฏิสันจิกขิงสัมบาโทคาราวาโสราชาปโทอโภโกาโส ปวับบชานายิดังสุกรังอคารังอจชาวสตาเอกันตะปริปุณังเอกันตะปริสุทังสังคลิขิตังปรามาจรายังจริตุงยั น, นูนาหังเกสะมัสสุงโอหาเรตวา กายญ า, ยานิวัถานิอาจาเดตวาอาคารัสมาอานคาริยัปปัพเชยันติโสโอหังอาวุโสอปเรณะสั ม, มเยนะอปังวาโภคขันธังปหายะ มหันตังวาโพคขันธังปหายะอปังวาญาติปาริวัตตังปะหายะมหันตังวาญาติปาริวัตตังปะหายะ <S <S เกษมัสุงโอหาเรตวากาสาญานิวัานิ อัจฉเดตวาอคารสมาอะนคาริยังปั บ, บชิงนะครับคำถามที่5กับคำถามที่6ก็จะอยู่ด้วยกันในบาลีข้อ102กระถังชาณะโตปนายสมะโตกระถังปัสสโตอิมัสมินจะสวิญญาณเกกายเยบหิทธาจะสับวะนิมิตเตสุ อาหังการะมมังการะมานานุสยาสุสัมูหต า, าท่านผู้มีอายุรู้อย่างไรเห็นอย่างไรกระถังชาณโตแปลว่ารู้อย่างไรกระถังปัสะโตเห็นอย่างไรอาหางการมะมังการและมานานุยัย ในกายที่ประกอบไปด้วยวิญญาณนี้อิมัตส מינ จะสวิญญาณเ ก, กเกยเยคือในร่างกายที่ประกอบไปด้วยวิญญาณนี้บหิตาจะสับวานิมิตเตสุแล้วก็ในนิมิต ท, ทั้งปวงภายนอกในเครื่องหมายของสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงข้างนอกนั้นสุสมูหตาจึงถูกถอนขึ้นได้ นะคําถามที่หคือถามว่าทำยังไง ร, รู้อย่างไรเห็นอย่างไรอาหางการเมมังการและมานานุสัยในกายที่ประกอบไปด้วยวิญญาณจึงถอนขึ้นได้คําถามที่6ก็คือรู้อย่างไรเห็นอย่างไรอาหางการเมมังการและมานานุสัยในสัพนิมิตภายนอกจึงถูกถอนขึ้นได้นะครับเราทั้งหลายก็มีกันทั้งหมดนะนะอาหางการเป็นเรา เราจริงๆเราเที่ยงเราสุขเราดีเราวิเศษเราบังคับนั่นบังคับนี่ได้เห็นทั้งในกายที่ประกอบไปด้วยวิญญาณภายในคือตัวเองกับสับพพานิมิตข้างนอกสัพพานิมิตข้างนอกก็คนอื่นสามีก็ดีลูกหลานจนกระทั่งบ้านรถยนต์อะไรต่างๆก็เกิดความรู้สึกอหังการ นี่เป็นของที่ยงเราบังคับได้เราสร้างโน้นได้เราสร้างนี่ได้มั่มังการรู้สึกว่าเป็นของเราแขนของเราขาของเราตาของเราผมของเราไปเรื่อยๆนี่ภายในส่วนภายนอกก็สามีของเราลูกของเราบ้านของเรารถของเราที่ดินของเราประเทศของเราโลกของเราทำไมมันเยอะยังก็ไม่รู้นะ ทำไมตัวเล็กๆเอาทุกสิ่งทุกอย่างมาเป็นของเราบางคนก็จักรวาลของเราไปอีกโอ้ขนาดตัวเล็กนิดเดียวยังจะเอาอะไรไปก็ไม่รู้นี่มันอหังการแล้วก็มั่มังการมานานุสัยเราเป็นนั่นเราเป็นนี่คนอื่นเป็นโน่นคนอื่นเป็นนี่นั่นเป็นนั่นนั่นเป็นนี่นั่นสำคัญนี่ไม่สำคัญนี่สูงกว่าโน่นต่ำกว่านั่นถูกนี่ผิดเห็นไหเต็มไปหมดเลยนะครับ ก็เลยถามว่ารู้อย่างไรเห็นอย่างไรอาหางการเ ม, มัองการและมานานุสัยในกายที่ประกอบไปด้วยวิญญาณนี้กับสัพพานิมิตภายนอกจึงถูกถอนขึ้นได้นะครับนั้นะที่เราฝึกฝนก็เพื่อถอนอาหางการเ ม, มัองการแล้วก็มานานุสัยนี่แหละนะเ ร, นนเราอย่างนั้นเราอย่างนี้เราเที่ยงเราบังคับได้เราดีเราวิเศษนี่ต้องถอนออกอาหางการ รเราทั้งหลายก็คงเต็มทีเดียว น, ะนี่มัมังการของเราของเราเยอะแยะนะของเราก็มีมากมันแล้วแต่ว่าเราจะสําคัญมั่นหมายขึ้นมาหรือเปล่าถ้าไม่สําคัญมั่นหมายมันก็ไม่เป็นของเรานะเราเดินตามถนนเนี่ยเยอะแยะคนเดินไปเดินมาขวักไขว่จะมีแค่บางคนเท่านั้นเองที่เกิดสําคัญมั่นหมายว่าของเราสมมุติคนเดินไปเดินมาเนี่ยก็ไม่มีของเราใช่ไหม เขาก็เดินไปเรื่อยเอ้าวสักหน่อยอ้าวสามีของเราเพื่อนของเรานานๆโผล่มาทีหนึ่งนะอันนี้มั่งมังการและมานานุสัยเราเป็นนั่นเป็นนี่นะครับเป็นคนไทยเป็นคนดีเป็นคนถูกเป็นคนผิดนี่มานะนะครับเกิดการเปรียบเทียบกันขึ้นนานๆโผล่มาทีเหมือนกันแต่ว่า มันยังถอนขึ้นไม่ได้ในเมื่อยังถอนขึ้นไม่ได้เมื่อมีเหตุมันก็เกิดขึ้ น, นเวลาเห็นคนผิดเราก็กลายเป็นคนถูกขึ้นมาทีเดียวเห็นฝรัง่งเราก็กลายเป็นคนไทยเห็นคนไม่ดีเราก็กลายเป็นคนดีนแค่นี้เองเกิดมานานุใสขึ้นมาเกิดมานะเกิดการเปรียบเทียบขึ้นมาสำคัญตนด้วยอำนาจการเปรียบเทียบนะครับนี้ก็ อิงอาศัยกายที่ประกอบไปด้วยวิญญาณ น, นี้แล้วก็สัพพานิมิตภายนอกนะครับนิมิตก็คือเครื่องหมยทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นสัตว์บุคคลก็ตามเป็นสิ่งของก็ตามก็เป็นเหตุให้เกิดอหังการมัมังการแล้วก็มานานุสัยได้นะคำถามในข้อ1น3อ่าข้อนึ่้อจึงถามว่าท่านผู้มีอายุท่านรู้อย่างไรเห็นอย่างไร อาหารการมามังการแล้วก็มานานุสัยในกายที่ประกอบไปด้วยวิญญาณนี้และในสัพพานิมิตภายนอกทั้งหมดนั้นจึงถูกถอนขึ้นได้นะครับอาหางการมัมังการแล้วก็มานานุสัยนี้ใช้วิธีถอนขึ้นมาถอนนี้ไปถอนดื้อๆไม่ได้ต้องถอนโดยการรู้และเห็นนะต้องรู้ให้ถูกเห็นให้ถูก ฉันถึงถามว่ารู้อย่างไรเห็นอย่างไรกิเลสจึงถอนขึ้นได้นะหน้าที่ของเราคือไปรู้ให้มันถูกก็แล้วกันนะครับรู้แล้วก็กิเลสก็จะถูกถอนขึ้นได้ไม่ใช่เราไปถอนดื้อนะต้องรู้ให้มันถูกต้องแล้วกิเลสจึงจะถูกถอนขึ้นได้เหมือนกับความยึดมั่นถือมั่นทั้งหลายความยึดมั่นของถือมั่นของเราทั้งหลายมันมีเยอะความเข้าใจผิดผิดก็มีเยอะมากมาย เราจะละความเห็นผิดได้จะทำให้ความยึดมั่นถ un, ือมั่นมันลดลงก็ต้องรู้อุบายวิธีต้องทำให้มันลดกำลังลงทำยังไงมันจึงจะลดกำลังลงต้องรู้สิ่งที่มันไปยึดนั่นต้องรู้สิ่งที่มันไปเข้าใจผิดนั่นแหละแล้วมันจะลดนะมันเห็นผิดในเรื่องอะไรล่ะก็ไปดูสิ่งนั้นเสียพอดูสิ่งนั้นเริ่มเข้าใจความจริงความเห็นผิดมันก็ลดกาลังลงเคยยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอะไรล่ะ ก็ไปดูความเป็นจริงของสิ่งนั้ น, เ, นเมื่อเข้าใจความเป็นจริงของสิ่งนั้นความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นก็จะลดลงเห็นไ้เป็นการตัดทอนกำลังของความเห็นผิดและความยึดมั่นถือมั่นจึงจะละมันได้โดยส่วนใหญ่เราก็ยึดมั่นถือมั่นในกายในใจของเราเองฉะนั้นเราก็มาดูกายดูใจของเราเองว่าแท้ที่จริงมันไม่ใช่ตัวตนนะมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะ บังคับไม่ได้นะเนี่ยเมื่อเรามาทําความเข้าใจมารู้ฐานที่ตั้งของมันแล้วตัวมันที่เคยหลงผิดมากๆเคยยึดมั่นถือมั่นมากๆก็อ่อนกําลังเมื่ออ่อนกําลังก็จะสามารถถอนมันขึ้นมาได้ทําลายมันได้อย่างนี้นะครับฉะนนั้นการทําลายกิเลสไม่ใช่ทําลายดือ้อนะต้องใช้วิธีรู้เห็นแล้วก็เข้าใจ ไปรู้ฐานที่ตั้งของมันนั่นแหละอย่างนี้นะทีนี้เมื่อมีคำถามอย่างนี้แล้วท่านที่เป็นอรหันต์นะท่านก็จะมีคำตอบที่เหมาะสมให้ขีนาสวัสสะพิกเวพิกุโนวุสิตะวะโตกาตะการณียสสะโอหิตะบาัสสะอนุปัตตะสัตสทธ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้ที่เป็นพระขีนาศบอยู่จบพรหมจรรย์แล้วขีนาสวัสสะเป็นพระขีนาศบนะมีอาสวะคือเครื่องครอบคลุมจิตใจหรือว่าเครื่องห่อหุ้มจิตใจนั้นสิ้นไปแล้ววุสิตะวะโตอยู่จบพรหมจรรย์แล้วกตตะการณียสัะมีกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้ว หน้าที่ที่ต้องทำหน้าที่มารู้กายรู้ใจรู้ทุกข์ให้มันแจ่มแจ้งก็ทำเสร็จแล้วหน้าที่ละสมุไทยละตันหาละความอยากละความต้องการก็ทำเสร็จแล้วกระทำให้แจ้งพระนิพพานก็ทำเสร็จแล้วทำอริยมรรคให้เกิดขึ้นอันนี้ก็ทำเสร็จแล้วเรียกว่ากรตะกรณียสสะผู้มีกิจที่ควรทาได้ทาเสร็จแล้ว โอหิตะบารัสะมีภาระอันวางลงแล้วภาระคือของหนักขันท mm ั้งห้ากายกับใจนี้เป็นของหนักเราทั้งหลายก็พากันแบกเอาไว้นะแบกมันเอาไว้ก็ของที่มันไม่เที่ยงก็แบกมันอยากจะให้มันเที่ยงของที่มันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็แบกมันเอาไว้เนะก็มีความยากลําบากในการแบกไปเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างล้วนไม่มีตัวตนเป็นภาระหนัก แต่พระอรหันต์นั้นท่านวางภาระลงแล้วก็จะเหลือแต่ความเบาสบายความเป็นอิสระโอหิตะภารัสสะมีภาระอันวางลงแล้วอนุปัตตะสดัตทัสมีประโยชน์ตนอันบรรลุเรียบร้อยแล้วประโยชน์ตนนะประโยชน์ตนอย่างสูงสุดก็คือทำให้ถึงความพ้นไปแห่งทุกข์ทั้งปวงได้ทำให้ถึงความสิ้นทุกข์ได้อันนั้นแหละเรียก ว, ว่า ประโยชน์ตนถ้าใครอยากจะรู้ว่าได้ทำประโยชน์ตนบ้างหรื อ, อยังก็ดูว่าได้ถึงความพ้นไปแห่งทุกข์บ้างหรื อ, อยังจนกระทั่งถึงที่สุดส่วนพระราหันต์นั้นมีประโยชน์ตนอันได้บรรลุแล้วปริขีณภาวะสัญโยชนัสสมีภาวะสัญโยน์คือเครื่องผูกพันเอาไว้ในภพสิ้นไปแล้ว เครื่องผูกพันเอาไว้ในพบความยินดีในพบไปเกิดตรงนั้นไปเกิดตรงนี้สิ้นไปแล้วเมื่อสิ้นไปแล้วก็ไม่ต้องมาวนเวียนอีกต่อไปส่วนเราทั้งหลายนั้นมีภาวะสังโยชนยังไม่สิ้นนะชอบอยู่ตรงนั้นชอบอยู่ตรงนี้มีความเพลิดเพลินยินดีนะครับถ้าเพลิดเพลินยินดีเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันนี้ก็ต้องอยู่กับกามเกิดในกามภูมิไปเรื่อย ถ้ายินดีเพลิดเพลินอยู่กับสมาธิอยู่กับความสงบอันนี้ก็คงวนเวียนอยู่แถวพรมนั่นนะเพราะว่าภวะสัญญอดยังไม่สิ้นไปแต่พระาหารหันต์นั้นมีภวะสัญโยชน์สิ้นไปแล้วสัมมาดัญญาวิมุตตัสสะมีจิตหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบนะที่หลุดพ้นนะนะถึงวิมุติก็เพราะรู้โดยชอบ รู้จบสมบูรณ์แล้วรู้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วสัมมัดัญญาแปลว่ารู้ถูกต้องรู้โดยชอบวิมุตตัสะวิมุตตะก็แปลว่าหลุดพ้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบอันนี้เป็นลักษณะของพระอรหันต์นะเป็นพระขีนาศบอยู่จบพรหมจรรย์แล้วมีกิจที่ควรทำทาเสร็จแล้วมีภาระอันวางลงแล้วมีประโยชน์ตนอัน บรรลุถึงแล้วมีเครื่องผูกพันเอาไว้ในภพอันสิ้นไปแล้วมีจิตหลุดพ้นเพราะรู้โดยชอบอายะมนุธรรมโมโหติเวยาการนายะก็จะมีธรรมะอันสมควรที่ถูกต้องสำหรับตอบคำถามให้สำหรับแก้ให้นะครับเมื่อเราถามว่า รู้อย่างไรเห็นอย่างไรอาหางการมะมังการและมานานุสัยในกายอันประกอบไปด้วยวิญญาณ น, นี้กับในสัพพานิมิตทั้งปวงภายนอกจึงจะถูกถอนขึ้นได้พระอรหันต์ท่านก็มีธรรมะอันสมควรมีคำตอบที่ถูกต้องให้นะครับท่านก็จะตอบว่าปุเบโขอาหางอาวุโสอคาริยภูโตสมาโนดูก่อนท่านผู้มีอายุ แต่ก่อนเรานั้นน่ะเป็นผู้อยู่ครองเรือนอคาริยะภูตโตสมาโนคือเป็นผู้อยู่ครองเรือนเป็นคารวาตอาวิทนสุอโหสิงเป็นผู้ที่ยังไม่มีความรู้ยังไม่รู้แจ้งเป็นผู้ที่ยังงมงายอยู่ยังหลงอยู่ตัดสะเมตถาคตวาตถาคตะสาวโกวาธรมมังเดเสติ พระตถ า, าคตก็ดีสาวกของพระตถ า, าคตก็ดีแสดงธรรมะแก่เรานั้นเนี่ยตอนเป็นคารวะนะอันนี้กล่าวถึงพระนะตอนแรกเป็นคารวาดแล้วก็พระตถ า, าคตหรือว่าสาวกของพระตถ า, าคตนั้นแสดงธรรมแก่เรานั้นตาหังธรรมมังสุตวาตถาคเตสัตถังปฏิลพิงเรานั้นได้ฟังธรรมะนั้นแล้วก็ได้ความ ศรัทธาเลื่อมใสในพระตถาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นพระตถาคตหรือว่าสาวกของพระตถาคตแสดงธรรมเวลาได้ศรัทธานี้ได้ศรัทธาในตถาคตไม่ได้ศรัทธาในสาวกตถาคตนะศรัทธาในตถาคตนะครับเหมือนเราฟังอาจารย์โน้นอาจารย์นี้ขอให้ได้ศรัทธาในพระรัตรนตรัยก็พอไม่ต้องศรัทธาอาจารย์นะเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์นะครับ เอาศรัทธาในพระรัตนตรัยก็พออย่างนี้นะก็เหมือนท่านนี้แหล ะ, ะเป็นคาราวาสแล้วพระตถาคตหรือว่าสาวกของพระตถาคตแสดงธรรมครั้นฟังธรรมแล้วก็ได้ศรัทธาในพระตถาคตโสเตนะสัทธาปฏิลาเพนะสมณะคโตอิติปฏิสันจิกขิงเรานั้นมีความ ศรัทธานั้นก็คือประกอบด้วยความศรัทธานั้นแล้วก็ได้พิจารณาดังนี้ว่าสัมบาโทครราวาโสราชาปโธคาวาตการอยู่ของเรือนนั้นมันคับแคบเป็นที่มาของกิเลสทุลีสัมบาโทแปลว่าคับแคบคารวาโสคือการอยู่ของเรือนแบบเราทั่วไปราชาปโทเป็นที่มาของกิเลสนะ เนี่ยพวกคาราวะนั้นมันคับแคบเพราะว่ามีเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องจัดการเยอะแยะเป็นที่มาของกิเลสฉะนั้นเวลาพูดถึงการฝึกฝนสติสัมปชัญญะหรือว่าความไม่ประมาทแล้วถ้าว่าตามอย่างนี้แล้วคาราวะต้องฝึกสติให้เยอะกว่าพระเพราะว่าคาราวะามันคับแคบกิเลสมันมากที่มาของกิเลสมันเยอะฉะนั้นต้องฝึกเยอะกว่าเขาต้องมีสติสัมปชัญญะเยอะมากต้องปฏิบัติธรรมเยอะว่างอนกันเถอะนะ แต่เรารู้สึกว่าเอาธรรมะไปยกให้พระไปแล้วททั้งที่โดยปกติพระท่านมีที่มาของทุลีน้อยนะที่มาของทุลีน้อยก็ไม่ต้องระวังมากอย่างเราที่มาของทุลีเยอะก็ต้องระวังเยอะนะอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้กำลังพูดถึงพระฉะนั้นเวลาพระท่านพิจารณาท่านก็เห็นว่าเอ้คารวะานี่มันคับแคบ ป, ปฏิบัติธรรมลาบากท่านก็จะออกบวชนะ่ะ อภโกาโสปปะชาส่วนการบวชนั้นเป็นเหมือนที่โล่งแจ้งโล่งเบาสบายนะยิดังสุกรังอคารังอัชชาวัสตาเอกันตะปริปุนังเอกันตะปริสุทธังสังคลิขิตังพรร ม, มจริยังจริตุงการที่บุคคลผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธ บริบูรณ์โดยสิ้นเชิงเอกันตะปริปุนังบริบูรณ์โดยสิ้นเชิงเอกันตะปริสุ์ทางบริสุท์โดยสิ้นเชิงสังคลิกิตังให้ขาวประดุดดังสังขัดณนะยิดังสุกระังอันนี้ไม่ใช่จะกะทําได้โดยง่ายนะครับอันนี้ก็คือท่านเบื่อบ้านแล้วจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างครบถ้วน ก็คือต้องการเป็นพระอระหันต์พนะรมจรั์จะบริสุทธิ์บริบูรณ์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะศีล ส, สมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์ต้องเป็นพระอระหันต์ดันั้นคนที่ท่านต้องการเป็นอรหันต์เนี่ยท่านจะคิดอย่างนี้แหละนะคือเบื่อบ้านแล้วไม่เอาแล้วแต่ถ้าพวกยังไม่เบื่อก็ยังอยู่ต่อไปอีกคือยังไม่พร้อมจะเป็นอรหันต์ว่าอย่างนั้นเถอะแต่ตอนนี้พระที่ท่านคิดอย่างนี้นะ คนที่จะออกบวชที่คิดอย่างนี้ก็คือว่าท่านพิจารณาเห็นว่าบ้านไม่น่าเอาแล้วนะต้องการบวชเพื่อเป็นพระอรหันต์เท่านั้นเอกันตะปริปุล น, นังให้บริบูรณ์โดยส่วนเดียวเอกันตะปริสุทธ์ทางให้บริสุทธิ์โดยส่วนเดียวสังคลิกิตังให้มันขาวประดุษสังขัดการประพฤติพรหมจรรย์ ก็คือประพฤติปฏิบัติตามศีลสมาธิปัญญาจนอริยามรรคมีองค์8ดเกิดขึ้นถ้าสมบูรณ์นะก็สี่ครั้งเป็นพระอรหันต์นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือพูดง่ายๆคือท่านต้องการเป็นอรหันต์แหละยันนูนาหังเกสมัตสุงโอหาเรตวาทางที่ดีเราควรปรงผมและนวด กาสาญานิวัฏฐานิอัจฉาเดตวานุ่งห่มผ้ากาสายะผ้าที่ยอมด้วยน้ำฝาดอะคารัศสมาอนคาริยังปรับพระเฉยยังแล้วบวชออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นผู้ที่จะเป็นพระราหันนะท่านก็จะพิจารณาหรือว่าคิดกันอย่างนี้เพราะว่า บ้านนั้นมันเป็นที่มาของทุลีมันเป็นที่คับแคบผู้ที่จะเป็นพระรหันต์เน่ก็จะเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านี้แล้วก็ไปประพฤติพรหมจรรย์จนสมบูรณ์ให้มันสมบูรณ์ทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาฉะนั้นไอ้พวกคารวาสเหล่านี้แรกๆถ้าเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีพวกนี้ยังไม่เป็นไร ยังสามารถที่จะอยู่ครองเรือนอะไรต่างๆประพฤติปฏิบัติทําไปได้พอสูงๆขึ้นไปแล้วเป็นอนาคามีเป็นอรหันต์อย่างนี้ไม่ค่อยไปแล้วหมายถึงว่าน้อยคนที่จะทำได้จริงๆนะฉะนั้นถ้าใครอยากเป็นพระอรหรนันต์นี่ก็จะต้องบวชนั่นแหละเร็วที่สุดแหลนะแต่ถ้าเป็นค า, ารวะนี้ก็จะไม่กั้นแค่พระโสดาบันกับพระสกทาคามีพอนอกจากนั้นแล้ว ต้องการสมาธิที่สูงขึ้นเพื่อเป็นพระอนาคามีต้องการสมาธิแล้วก็ปัญญาที่มากขึ้นเพื่อเป็นพระอระหันต์อันนี้ก็จะเริ่มมีปัญหาแหละเพราะว่าคารวะนั้นมันแับแคบมีอารมณ์กระแทกเยอะมีอารมณ์กระทบเยอะมีเรื่องต้องจัดการนั่นจัดการนี่เยอ ะ, ะเป็นลักษณะของคารวะทั่วไปนะคารวะเราถึงแม้จะไม่ทําอะไรนะไม่อยากทําอะไรอยากอยู่เฉยๆมันก็มีพักพวกให้เราทําอยู่ดี มันเป็นธรรมดาของคา ร, รวะ น, นะครับท่านเลยเรียกว่ามันคับแคบเป็นที่มาของทุลีมีเรื่องให้ทำให้จัดการเยอะนี่ท่านองค์นี้ก็เหมือนกันนะท่านก็พิจารณาดังนี้แล้วก็เห็นว่าทางที่ดีเราควรจะออกบวช ด, ดีกว่าโสโขอาหังอาวุโสอปรเรนะสมเยนะอปังวาโพคคขันทางปหายะ มหันตังวาโพคคขันธ์ังปหายะดูก่อนท่านผู้มีอายุเรานั้นในสมัยต่อมาในเวลาต่อมาก็ละกองของโพคะน้อยบ้างละกองของโพคะมากบ้างก็ละทรัพสมบัติออกไปนะทิ้งทรัพสมบัติเลยอปังวาญาติปริวัตตังปหายะมหันตังวาญาติปริวัตตังปหายะ ละเครือญาติน้อยบ้างละเครือญาติมากบ้างนะละพวกญาติออกไปฉันพวกไปบวชนี้เขาเรียกว่าตัดบัญชีทิ้งจากพวกญาติเลิกเป็นญาติกันนะเลิกเป็นญาติเลยเรื่องพ่อเรื่องแม่เรื่องอะไรต่างๆพี่น้องก็ตัดทิ้งไปหมดเขาไม่สนใจเลยนะไม่ได้บวชแบบให้แม่เห็นหน้านะอย่างเราทุกวันนี้เวลาเข้าไปบวชในโบวชใช่ไหมพ่อกับแม่ต้องนั่งรออยู่เห็นลูกตัวเองบวช นะแต่ว่าในยุคเก่านี้เขาละเครือญาติไปเลยนะละหมู่ญาติไปหมายถึงบวชนี่ไม่เห็นหน้ากันเลยว่ากันเถอะนะนะถ้าต้องการออกบวชแล้วขออนุญาตได้แล้วเขาก็หนีไปเลยนะตัดบัญชีตัดอะไรทิ้งไปไให้หมดเลยเหมือนกับไม่รู้จักกันเลยความหมายคืออย่างนั้นนะส่วนจะมาช่วยเหลืออะไรอีกทีนึงก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าโดยธรรมเนียมแล้วก็คือว่าทําเหมือนกับเป็นคนอื่นไปเลยอย่างนี้นะครับ ต่อไปก็จะกลายเป็นญาติของผู้ที่อยู่ด้วยกันในเพศบรรพชิตนั่นแหละเป็นอุปชาเป็นอาจารย์ก็จะมาใช้ชีวิตอีกแบบหนึ่งไปเลยนี่นะละกองของโภคะน้อยบ้างละกองของโภคะมากบ้างละเคลือยาิน้อยบ้างละเคลือยาิมากบ้างเกสัมมัตสูงโอหาเรตวา ลงผมและโหนดกาสาญานิวัฏฐานิอัจฉเดตวานุ่งห่มผ้าที่ย้อมด้วยน้ำฝาดอคารสมาอนนาคาริยังปปะพชิงบวชเป็นบรรพชิตที่ไม่มีเรือนออกจากเรือนออกจากเรือนไปบวชเป็นบรรพชิตที่ไม่มีเรือนนะครับนี่นะก็กล่าวถึงตอนเริ่มต้นคือท่านได้ฟังทำแล้วก็ต้องการ ประพฤติพรมจันทร์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยครบถ้วนให้ศีลสมาธิปัญญาเต็มสมบูรณ์ก็ไปออกบวชโดยละกองของโภคะแล้วก็จะละพวกญาติไปทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ตอนเริ่มต้นคือฟังธรรมได้ศรัทธาแล้วก็ไปบวชต่อไปหลังจากบวชแล้วก็มาฝึกฝนตามหลักการของสิทธิขาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเกิดปัญญา จึงสามารถถอนอาหางการะ ม, มังการแล้วก็มานานุสัยได้ในย่อหน้าสุดท้ายในหน้าที่สแล้วก็ต่อด้วยหน้าที่หนะครับอ่านพร้อมกันนะโสเอวังปปิโตสมาโนภิกขุนังสิกขาสาชีวสมาปนโนปานาติปาตังปะหายะปานาติปาตา ปฏิวิระโตอะโหสิงนิหิตทันโดนิหิตสัตโถลัชีดายาปนโนสัพพานะภูตะหิตานุกรรมปีวิหาสิงอดินนาดานังปหายะอดินนาดานาปติวิระโตอะโหสิงดินนาดายี ดิ น, นปาติกังขีอเถเนนะสุจิภูเตนะอัตนาวิหาสิงอะพรมมจาริยังปหายะพรมจารีอโหสิงอาราจารีวิระโตเมถุนาคามธรรมมามุสาวาดังปหายะ มุสาวาดาปติวิราโตอะโหสิงสัจาวาดีสัจสันทโทธเถโตปัจยิโกอะวิสังวาะโกโลกัตสะปิสุนังวาจังปะหายะปิสุนายวาจายะปะติวิราโตอะโหสิง อิโตสุตวานะอมุตระอขาตาอิเมสังเพดายะอมุตรวาสุตวานะอิเมสังอาขาตาอมูสังเบทายะอิติพินนานวาสันธาตาสหิตานังวา อนุปดาตาสมักคาราโมสมักระโตสมักฆนันดีสมักฆการิงวาจังภาสิตาอโหสิงภรุสังวาจังปหายะภรุษายะวาจายะปะติวิราโตอโหสิง ยาสาวาจาเนลากันนะสุขาเปมะนิยาหาไดยังขมาโปรีพาหุชนะกันตาบาหุชนะมนาปาตะถารูปิงวาจังพาสิตาอะโหสิงสัมผับปลาปังปะหายะ สัมภัปลาปาปาติวิระโตอาโหสิงกาละวาดีภูตวาดีอัตวาดีธรรมวาดีวิเนยาวาดีนิธานวติงวาจังภาสิตาอาโหสิงกาเลนะสาปเดสัง ปริยันตะวะติงอัตตสันหิตังหลังจากท่านได้ฟังธรรมได้ศรัทธาในพระตถาคตแล้วพิจารณาเห็นว่าการอยู่ครองเรือนั้นครับแคบเป็นที่มาของทุลีส่วนการบรรพชานั้นเป็นเหมือนที่โล่งแจ้งเป็นความเบาสบายการที่จะอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยครบถ้วน สำหรับผู้ที่อยู่ครองเรือนก็เป็นไปได้ยากทางที่ดีควรจะออกบวชท่านนี้ก็ได้ละกองของพกกรัพย์แล้วก็ละหมู่ญาติออกบวชเมื่อออกบวชแล้วก็ฝึกฝนตนเองตามสิกขาตามรูปแบบของพระภิกษุนะเราคารวนก็เหมือนกันนะก็ต้องฝึกฝนเหมือนกันเพียงแต่ว่าศิกขาหรือว่ารูปแบบในการฝึกฝนก็แตกต่างกันไปบ้างตามสมควรตามวิถีชีวิตนะ โสเอวังปปชิโตสมาโนภิกขูนังสิกขาชีสิกขาสาชีวะสมาปนโนเรานั้นครั้นออกบวชแล้วอย่างนี้ก็เป็นผู้ที่ประกอบด้วยสิกขาและสาชีวะของภิกษุทั้งหลายสิกขาก็คือการฝึกฝนแล้วก็สาชีวะคือการเลี้ยงชีพการดำเนินชีวิตในแบบภิกษุ เราทั้งหลายก็คงเหมือนกันนะนะมีสิกขาเหมือนกันต้องฝึกฝนศีล ส, สมาธิปัญญาแล้วก็มีสาชีวะในแบบคารวาะเราก็คือสัมมาอาชีวะของพระก็มีเหมือนกันศิกขาฝึกศีลสมาธิปัญญาในแบบของพระแล้วก็มีการเลี้ยงชีพในแบบของพระพระจะมาเลี้ยงชีพแบบเราไปทํางานเย็นกลับบ้านหรือว่าจะมาหุงหาอาหารก็ไม่ได้ท่านนี้เป็นผู้ที่ออกบวชแล้วเป็นมันปรปชิตแล้ว ก็ประกอบด้วยสิกขาและสาชีวะของภิกษุทั้งหลายนะมีคาว่าศิกขากับสึกษาชีวะศิกขาก็คือการฝึกฝนให้จิตใจประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาสาชีวะคืออาชีพอาชีพคำว่าอาชีพนี้หมายถึงว่าการหาเลี้ยงชีพให้ชีวิตพอเป็นไปได้การบริหารร่างกายให้พอเป็นไปได้หาอาหารหา เครื่องนุ่งห่มหายารักษาโรคหาที่อยู่อาศัยว่าจะทํำยังไงจึงพอเป็นไปได้อันนี้เรียกว่าสาชีวะอันนี้ของพระภิกษุนะนะก็คารวะเราก็เอาข้อที่เหมาะกับตนเองหรือว่าที่เหมาะกับคารวะเรานะก็ประกอบกันอยู่นั่นเองแต่ของพระก็จะเยอะกว่า ต่อไปก็จะกล่าวถึงการฝึกฝนตามศิกขาและสารชีวะเป็นข้อๆไปเรื่อยๆแท้ที่จริงก็ไม่มีอะไรมากนะก็ให้ละนั่นเองนะเป็นไปเพื่อละไม่ได้ให้ทำอะไรเพิ่มมากหรอกอันที่หนึ่งปานาติปาตังปหายะปานาติปาตาปฏิวิรโตอโหสิงข้อที่หนึ่งเรานั้นละปานาติบาตเป็นผู้เว้นขาดจากปานาติบาตข้อที่1ก็ละ ละการฆ่าสัตว์เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์การทําร้ายเบียดเบียนการทําให้คนอื่นบาดเจ็บหรือว่ามีการต้องลําบากเดือดร้อนก็เว้นขาดไปนิหิตะดันโดมีท่อนไม้อันวางลงแล้วนิหิตะสัตโถมีศาสตราคืออาวุธอันวางลงแล้วลัชชีมีความละอาย นยาปนโนมีความเอ็นดูต่อสัตว์ทั้งหลายสัพวปาณะภูตะหิตานุกรรมปีวิหาสิงใช้ชีวิตอยู่โดยความเป็นผู้มีความอนุเคราะห์เกื่อกูลแกสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงนอันนี้ก็คือเว้นจากการทำร้ายเบียดเบียนสัตว์แต่ว่าใช้ชีวิตแบบมีความเอ็นดูต่อหมูสัตว์ อนุเคราะห์เกื้อกูลต่อหมูสัตว์เท่าที่อนุเคราะห์ได้อันนี้ก็เป็นข้อที่หนึ่งนะครับต่อไปข้อที่สองอดินนาดานังปหายะอดินนาดานาปฏิวิรโตอโหสิงเหล่านั้นก็เป็นผู้ละอัินนาทานละการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้นะัละละอัินนาทานเป็นผู้เว้นขาดจากอัินนาทานดินนาดายี ถือเอาเฉพาะของที่บุคคลเขาให้ของที่เขาอนุญาตบอกว่าให้จึงค่อยถือเอาขออนุญาตก่อนบอกเขาก่อนจึงถือเอาดินนปาติกังขีหวังอยู่แต่ของที่เขาให้ไม่เคยหวังของที่เขาไม่ให้อาเทเนนะไม่ขโมยสูจิสุจิภูเตนะอัตนาวิหาสิง มีตนที่เป็นผู้สะอาดอยู่นะไม่มีนอกไม่มีในไม่มีการช่อชนไม่มีเรื่องนั้นเรื่องนี้นะมีตนที่สะอาดมีใจที่สะอาดการได้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมาก็เอาเฉพาะของที่เขาอนุญาตของที่เขาให้บอกเขาก่อนหรือว่าเขาบอกเราว่าเอาได้จึงเอาและเวลาปรารถนาต้องการก็ปรารถนาเฉพาะของที่เขาให้เท่านั้นนะ ไม่ขโมยแล้วก็มีตนที่สะอาดอยู่นี่ข้อที่สองข้อที่สามอะพ ร, รมจาริยังปหาเระพ ร, รมจารีอโหสิงเรานั้นละการประพฤติที่ไม่ใช่พรหมจรินะตามแบบพระนะไม่ใช่พรหมจริ์ตามแบบพระเพราะว่าท่านบวชพระแล้วตอนนี้พรมจารีอโหสิงประพฤติพรหมจร์อาราจารีเป็นผู้ที่ประพฤติห่างไกล ห่างไกลาจากความผิดพลาดวิระโตเป็นผู้เว้นเมทุนาจากการประพฤติของคนคู่จากการเสพเมถุนคามาธรรมมาซึ่งเป็นธรรมดาของพวกชาวบ้านตอนนี้ท่านไม่ใช่ชาวบ้านแล้วออกจากเรือนล้ธรรมดาของพวกชาวบ้านก็คืออยู่กันเป็นคู่คู่สามีภรรยาแล้วก็มีเสพเมถุนมีอะไรของเขาไปอันนั้นเป็นพรหมจรรย์แบบคารวะส่วนพรหมจรรย์แบบพระ ก็ห่างไกลเว้นขาดจากเมถุนอันเป็นธรรมดาของพวกชาวบ้านเขานะครับนี้ข้อที่สข้อที่สมุสาวาดังปหายะมุสาวาดาปฏิวิรโตอโหสิ่งเดานั้นละมุสาวาตละการพูดเท็จเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จสัจวาดีพูดแต่คำจริง สัจจะสันโทให้คำจริงต่อกับคำจริงคำจริงต่อกับคำจริงก็หมายว่าพูดจริงอยู่เรื่อยๆพูดจริงอยู่บ่อยๆไม่ใช่จริงพอจริงเสร็จเอาคำเทศมาต่อแล้วก็จริงบ้างเทศบ้างไม่ใช่งนั้นอันนี้พูดคำจริงต่อกับคำจริงเถโตพูดเป็นหลักฐานมั่นคงปัจญิโกเชื่อถือได้เป็นปัจจัยให้คนอื่นได้ คำพูดพูดแล้วเชื่อถือได้อวิสังวาตโกโลกัสสะไม่หลอกลวงชาวโลกไม่หลอกใครนะไม่หลอกลวงชาวโลกนี่ข้อที่สี่ต่อไปข้อที่ห้าปิสุนังวาจังปหายะปิสุนายะวาจายะปฏิวิรโตอโหสิงเรานั้นเว้น จากปิสุนาวาจาจากคำพูดที่ส่อเสียดเป็นผู้เว้นขาดจากปิสุนาวาจาคืออิโตสุตวาณอมุตระอาขาตาอิเมสังเบทายะฟังคำข้างนี้แล้วไม่ไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายข้างนี้เพื่อให้เขาผิดกันอมุตระวาสุตวา นอิเมสังอาขาตาอมูสังเบทายะหรือว่าฟังคำข้างโน้นแล้วมาบอกก็ไม่มาบอกข้างนี้เพื่อทำลายข้างโน้นไม่พูดถึงบุคคลที่3ว่าอย่างงั้นเถอะฟังข้างนี้แล้วก็ไม่ไปบอกข้างโน้นเพื่อทำลายเขาหรือว่าฟังข้างนี้แล้วก็ไม่ไปบอกข้างโน้อนอย่างนี้นะครับอิติพินนานาวาสันธาตาเป็นผู้ที่ คอยประสานคนที่แตกกันคนไหนที่แตกกันก็เป็นคูดเป็นคนที่คอยประสานพูดประสานให้เกิดความสามัคคีกันสันธาตาแปลว่าประสานกันสหิตานังวาอนุ ป, ปดาตาเป็นผู้ที่ส่งเสริมพวกที่สามัคคีกันอยู่แล้วสมัคาราโมชอบความสามัคคีกันสมัคระโต ยินดีในความสามัคคีกันสมัคฆะนันดีเพลิดเพลินอยู่กับกลุ่มที่สามัคคีกันสมัคฆะการณิงวาจังภาสิตาอาโหสิงเป็นผู้ที่กล่าววาจาที่ส่งเสริมความสามัคคีกันส่งเสริมความเข้าใจกันปองดองกันอยู่ด้วยกันได้อย่างนี้นะครับนี่ข้อที่ห้า ละปิสุนาวาจาเว้นขาดจากปิสุนาวาจาเป็นผู้ที่ประสานคนที่แต่กันส่งเสริมคนสามัคคีกันพูดแต่วาจาที่ทําให้เกิดความสามัคคีเข้าใจกันข้อที่6กพุรุสังวาจังปหายะพุรุสายะวาจายะปฏิวิรโตอโหสิงเหล่านั้นเป็นผู้ละ พรุสวาจาวาจาที่หยาบคายเว้นขาดจากพรุสวาจายาสาวาจาเนลาวาจาอันใดที่ไม่มีโทษเนลาคือไม่มีโทษกันนะสุขขาสบายหูพูดแล้วคนฟังสบายหูเปมณียาก่อให้เกิดความรักหาดายังเข้ามาตรึงใจ ปอรีเป็นคำธรรมดาของพวกชาวเมืองเขาพวกคนเจริญแล้วเขาคุยกันพระหุชนะกันตาชนเป็นส่วนมากพอใจรักใคร่กันตาพระหุชนะกันตาชนเป็นอันมากรักใคร่พระหุชนะมนาปาชนเป็นอันมากพอใจตาถารูปิงวาจังพาสิตาอโหสิงกล่าวแต่วาจาเช่นนั้น ไม่กล่าววาจาที่หยาบคายกล่าวแต่วาจาไม่มีโทษสบายหูก่อให้เกิดความรักตรึงใจเป็นคำพูดที่ชาวเมืองหรือว่าคนทั่วไปเขานิยมแล้วก็ไม่ขัดเคืองใจนะครับนี่ข้อที่6นะต่อไปข้อที่7สัมผัสปลาปังปหายะสัมผัสปลาปาปฏิวิรโตอโหสิง ละสัมผัปปลาปะคือการกล่าวคำที่เพ้อเจ้อไร้ประโยชน์เว้นขาดจากสัมผัปปลาปะกาละวาดีเป็นผู้กล่าวตามการถูกการตามเวลาให้เวลาเท่าไหร่ก็ พ, พูดเท่านั้นเหมาะกับเวลาจึงพูดไม่เหมาะก็ไม่พูดภูตวาดีกล่าวแต่คำที่แท้จริงอัฐวาดีกล่าวแต่คำที่มันเป็นประโยชน์ คำบังคำเป็นจริงแต่ไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่พูดนะกล่าวแต่คำที่เป็นประโยชน์ธรรมวาดีกล่าวแต่คำที่อิงธรรมะอิงสัจธรรมอิงความจริงโดยเฉพาะอิงโลกุตระธรรมธรรมชนิดที่เหนือโลกวินยวาดีกล่าวแต่คำชนิดที่ช่วยให้เกิดการขัดกล่าวกิเลสหรือว่าฝึกฝนตนเองไม่ใช่กล่าวไปเรื่อยแล้วทําให้กิเลสกัน เยอะขึ้นคนมันมีราคาโทสะโมหะอยู่แล้วเราพูดไปราคาก็มากขึ้นโทสะก็มากขึ้นโมหะก็มากขึ้นอย่างนี้มันไม่ได้เรื่องก็กลายเป็นสัมผับปลาปะไปต้องเป็นแบบวินยวาดีคือคำพูดชนิดที่ตักเตือนแนะนำกันให้ลดละกิเลสนิธานวติงวาจังพาสิตาอาโหสิง กล่าวแต่ว่าจาที่ตรึงใจนิทานวติงคือตรึงใจมันมีประโยชน์จึงตรึงใจคนได้หรือว่าคนนั้นเขามีกิเลสอยู่แล้วพอมาพูดถึงธรรมะชนิดที่ขัดกล่าวกิเลสก็ตรึงใจกันได้คนเขาไม่รู้ความจริงก็มาพูดความจริงให้เขาฟังก็ตรึงใจกันได้กาเลนะสาบเดสัง กล่าวแต่คำพูดที่มีที่อ้างอิงตามการสาระเดสังก็คือมีที่ไปที่มาถ้าอ้างอิงคำก็อ้างอิงคำให้มันถูกต้องโอ้นายกอว่าอย่างนี้แต่นายกอเขาว่าหน่อยเดียวเราไปบวกซะเยอะอย่างนี้ก็ไม่ได้กลายเป็นสัมผับประลาปะไปต้องสาะเดสังคือนายกอว่าอย่างนั้นก็พูดถึงว่าอย่างนั้น มีหลักฐานมีการอ้างอิงที่ถูกต้องปริยันตะวะติงพูดมีจุดจบมีจุดลงนะพูดเป็นเรื่องเป็นเรื่องแล้วก็มีที่ลงปริยัญตะวะติงคือมีจุดจบอัฏสันหิตังประกอบด้วยเนื้อความที่ทำให้คนต่างๆเข้าใจไดนะ้เป็นเรื่องๆไปไม่ใช่พูดสเปสปะไปไม่รู้เรื่องอย่างนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นข้อที่เจละสัมผัสปลาปะเว้นขาดจากสัมผัสปลาปะพูดถูกการพูดคำที่มีประโยชน์เป็นธรรมะเป็นวิ น, นัยมีหลักฐานอ้างอิงพูดแล้วมีที่ลงมีจุดจบประกอบไปด้วยเนื้อความที่เสริมความเข้าใจทำให้คนฟังเข้าใจขึ้นอย่างนี้นะนี่นะท่านบวชมาแล้วก็ ประกอบด้วยศีขาและสาชีวะของภิกษุทั้งหลายในการฝึกฝนเราทั้งหลายก็คล้ายๆอย่างนี้เหมือนกันเพียงแต่ว่าไม่เยอะเหมือนท่านนะครับนี่เราก็จะเห็นว่าศีขาก็คือการฝึกฝนเพื่อละเห็นไหมละปานาติบาละอธทินาทานละการประพฤติ ท, ที่ผิดปรมจรละมุสาวาละปิสุนาวาจาละภรุสวาราละสัมผัปลาปะ นะครับอันนี้ก็เราทั่วไปก็ฝึกฝนตามอย่างนี้นะคล้ายๆกันเพียงแต่ของท่านนี้ละอพรมณ์ฌานของเราก็ละกามสุมิชฌาจา์อย่างนี้นะต่อไปก็จะเป็นของพระเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับในยอ่อหน้าในหน้าที่5ตั้งแต่คำว่าโสพีชัคามะเป็นต้นอันนี้ก็เป็นสาชีวะของพระโดยเฉพาะแล้วนะของเราก็ ยังมีการกระทําเหล่านี้อยู่เพราะว่าเราไม่ใจพระน่ะนะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราอ่านพร้อมกันนะครับโสพีชะคามะภูตะคามะสมารัมพาปติวิรตโตอาโหสิงเอกพติโกอาโหสิงรัตตูปรโตวิหะวิรตโต วิกาละโภชนานัจคจีตวาดิตวิถูกะรัศนาปติวิราโตอโหสิงมาลาคันธวิเลปณะทารณะมันดณนะวิภูสนัถานาปติวิราโตอโหสิงอุจจาสยนะมหาสยนา ปติว ah oh ah ิราโตอโหสิงชาตรู ah oh sa, ปาราชตะปติคหานาปติวิราโตอะโหสิงอามกะธัญญะปฏิคหานาปติวิราโตอะโหสิงอามกะมังสะปฏิคหานาปติวิราโตอะโหสิง อิถิกุมาริกาปฏิฆานาปติวิราโตอาโหสิงดาศีดาสปติฆานาปติวิราโตอาโหสิงอะเชลกะปติฆานาปติวิราโตอาโหสิงกุกุตสูกระปติฆานาปติวิราโตอาโหสิง หัตถิขวัตสาวลวาปติขหาณาปติวิราโตอาโหสิงเทตวัตถุปติขหาณาปติวิราโตอาโหสิงทูเตยะปะหินะขมานานุโยคาปติวิราโตอาโหสิงกายะวิกายาปติวิราโตอาโหสิง ตุลากูตากังสากูตามานากูตาปติวิรโตอโหสิงอุโกโตนะวันจนะนิกติสาวิโยคาปติวิรโตอโหสิงเฉทนาวทพันธนาวิปราโมสะอาโลปะสหาสาการา ปติวิระโตอาโหสิงนะครับต่อไปก็เป็นสาชีวะหรือว่าการเลี้ยงชีพแบบสัมมาอาชีวะแบบการเลี้ยงชีพชอบของพระท่านนะท่านบวชเป็นพระแล้วก็ต้องปฏิบัติตามวินัยต่างๆในที่นี้ก็ยกมาไม่ทั้งหมดนะะเพราะว่าเป็นพระสูตรถ้าจะแบบทั้งหมดก็ต้องไปศึกษาตามวินัยว่าท่านมีข้อไหนบ้าง แล้วก็ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องนะครับส่วนเราคารวาสถ้าเป็นสาชีวะสัมมาอาชีวะก็เว้นอาชีพที่มันทำร้ายเบียดเบียนคนอื่นเว้นอาชีพที่ทำให้เกิดความมัวเมาแก่คนอื่นขายยาพิษขายสัตว์ขายคนอะไรพวกนี้นะขายอาวุธอะไรพวกนั้นนะหรือว่าทำสิ่งมัวเมา ขายสุราพวกนั้นก็งดเว้นไปนะครับแต่ถ้าเป็นพระก็จะละเอียดตามวินัยของพระนะครับข้อที่8นะนับต่อมาจากสัมผัสปลาปะสัมผัสปลาปะเป็นข้อที่7ต่อไปข้อที่8โสพีชคามะภูตะคามะสมารัมพาปฏิวิรโตอโหสิงเรานั้นเป็นผู้เว้นขาดจากการพรากพีชคามแล้วก็ภูตะคาม ผีชักคามก็พืชที่เป็นใบๆบเป็นต้นภูตะคามขึ้นอยู่บนดินนะไม่หักใบไม้ไม่หักท่อนไม้นะไม่ใช่ว่ า, อ, าอยากอยากฉันผักนะไปหักเล่นนะหรือไปหักมาฉันไม่ใช่อย่างั้นนะต้องรอคนอื่นหักมาถวายนะหรือว่าอยากฉันผักแล้วไปดึง ผักนั่นผักนี่ขึ้นมาไม่ใช่อย่างนะั้นนะทาเองไม่ได้นะพระต้องเว้นขาดจากการพรากผีชัขามแล้วก็พูตะคามจากการหักพืชผักจากต้นแล้วก็ไปดึงขึ้นมาจากดินข้อที่เก้าเอกพติโกอโหสิงรัตูปะรโต ว, รตวิรโตวิการะโภชนาะเป็นผู้ที่ฉันพัดช่วงเวลาเดียว เว้นในตอนกลางคืนคือเว้นวิกาละโภชนะฉันพัดช่วงเวลาเดียวคือตั้งแต่เช้าถึงเที่ยงเว้นในตอนกลางคืนเว้นในตอนวิกาตั้งแต่หลังเที่ยงไปเว้นฉันพัดครึ่งเดียวเอกะพันติโกก็คือช่วงเดียวช่วงเดียวเท่านั้น นัจจกีตวาดิตะวิสูกทัศนาปฏิวิระโตอโหสิงเป็นผู้เว้นขาดจากการฟ้อนรำนัจจคีตะก็ขับร้องวาดิตะประโคมดนตรีวิสุกขทัศนาแล้วก็การดูอะไรต่างๆที่มันเป็นข้าศึกทำให้กิเลสเกิดขึ้นทาให้เกิดราคะโทสะโมหะเยอะขึ้ น, นการดูอะไรก็ตามที่มันทาให้เกิดราคะเพิ่ม โทสะเพิ่มโมหะเพิ่มไม่ดูไม่ใช่ห้ามดูทั้งหมดนะห้ามห้ามดูเฉพาะอันที่ทําให้เกิดราคะโทสะโมหะเป็นค่าศึกว่ากันเถอะแต่ถ้าอันไหนที่ไม่เป็นค่าศึกก็ดูได้เหมือนกันนะพระเนี่ยนะดูชนิดที่ไม่เป็นค่าศึกก็ดูได้แต่ว่าอันไหนที่เป็นค่าศึกให้เว้นขาดไปนะครับเว้นขาดจากการฟ้อนรํานัจฉีตะขับร้องวาทิตะประโคมดนตรี วิสูกรัตสนาแล้วก็การดูสิ่งที่มันเป็นค่าศึกต่อกุศลต่อคุณงามความดีต่างๆมันทำให้เกิดกิเลส ข, ข้อที่11มาลาคันทะวิเลปนธาธารณมันดณวิภูสนัฐานาปฏิวิรโตอโหสิงเป็นผู้เว้นขาดจากการทรงดอกไม้มาลาทัดทรงดอกไม้ เขาร้อยเป็นพวงพวงเอามาห้อยคอก็ดีอะไรก็ดีก็ไม่ทําคันทะของหอมประดับด้วยของหอมวิเลปณะพวกนี้เครื่องรูปไห้ผิวที่เราเอสพีเเท่าไหร่เท่าไหร่อะไรพวกนี้นะรูปไห้ให้มันดูสวยงามให้มันป้องกันแดดอะไรของเราอะนะคารวาสเราคงจะเต็มไปหมดแหละละเน็กระนาดไปแต่ของพระท่านก็งดเว้น ท า, ารณะคือการส่งพวกเอามาลัยมาคล้องขอก็เลิกมณณนะการประดับก็เลิกวิภูสณะการตกแต่งร่างกายหรือว่าการรูปไล่ร่างกายให้มันดูสวยงามให้มันหลอ่ออะไรพวกนี้ก็เลิกงดเว้นเว้นขาดนะครับนี่ใครถือศิญแปดก็งดพวกนี้เหมือนกันนะอุจจาศยานะมหาศยนาปฏิวิรโตอโหสิง เป็นผู้เว้นขาดจากที่นั่งและที่นอนอันสูงใหญ่และก็วิจิตพิสดารประกอบด้วยลวดลายที่มันก่อให้เกิดกิเลสที่มันสูงมันใหญ่ข้อที่13ชาตรูปราชตตปฏิคหานาปฏิวิรโตอโหสิงเป็นผู้เว้นขาดจากการรับทองและเงิน ข้อที่14อามากะธัญญะปฏิคหานาปฏิวิรโตอโหสิงเป็นผู้เว้นขาดจากการรับธัญชาติดิบก็คือรับการรับพืชดิบๆเพราะว่ารับมาแล้วต้องเอามาทำเองต้องเอามาปรุงมาอะไรพระท่านห้ามปรุงอาหารต้องรับของสุกแล้วมาฉันเลย อม ก, กะมังสะปฏิฆ า, านาปฏิวิรโตอโหสิงเว้นขาดจากการรับเนื้อดิบเนื้อดิบๆก็ไม่รับรับเฉพาะเนื้อสุกอิทิกุมาริกาปฏิคฆ า, านาปฏิวิรโตอโหสิงเว้นขาดจากการรับผู้หญิงแล้วก็เด็กเด็กผู้หญิงอิถีก็ผู้หญิงโตหน่อยกุมาริกาก็ผู้หญิงเด็กๆรับมาเลี้ยงดูก็ดีหรือว่ารับมาเป็น ผู้รับใช้อะไรก็ดีก็ห้ามตาศีดาสะปฏิคหานาปฏิวิรโตอโหสิงเป็นผู้เว้นขาดจากการรับธาตุหญิงธาตุชายนะอเชละกะปฏิคหานาปฏิวิรโตอโหสิงเป็นผู้เว้นขาดจากการรับแพะและแกะกุ ก, กุตะสูกุระ กุกุตะสุกระปฏิคหนาปฏิวิรโตอโหสิงเป็นผู้เว้นขาดจากการรับไก่และหมูสุกรนะนะหัตถิขวัตสะวลวะปฏิคหนาปฏิวิรโตอโหสิงเป็นผู้เว้นขาดจากการรับช้างโคม้าลาหัตถิก็ช้างควะก็โคอัศม้าวลวะก็แปลวลา เว้นจากการรับสัตว์เอามาไว้ในวัดที่เอามาเลี้ยงดูก็ดีเอามาปล่อยมาอะไรก็ดีห้ามรับน่ะเว้นขาดนะครับเขตตวัตถุปฏิคหานาปฏิวิรโตอโหสิงเป็นผู้เว้นขาดจากการรับนาแล้วก็ที่ดินน่ะนาแล้วก็ที่ดินเพื่อผลประโยชน์ในแง่ว่าเก็บเกี่ยวผลประโยชน์หรือว่าเอาไว้ทํานั่นทํานี่ให้ใครเช่าอะไรก็ว่าไปนะครับ ทูเตยะปะหินะขามนานุโยขาปฏิวิรโตอะโหสิงเป็นผู้เว้นขาดจากการทําตนเป็นผู้ส่งข่าวสารเป็นทูตทูเตยะก็คือเป็นทูตรับหน้าไปพูดกับคนนี้ให้คนโน้นรู้จักทูตใช่ไหมนะเป็นทูตก็คือรับส่งข่าวสารจากคนนี้ไปหาคนนี้ทําความเข้าใจให้อ้อาวเดี๋ยวเป็นพ่อสื่อเป็นอะไรก็ว่าไป เนี่ยพวกทูตงดเว้นไปนะครับกะยะวิกยาปฏิวิรตโตอโหสิงเป็นผู้เว้นขาดจากการซื้อและการขายซื้อก็ไม่ได้ขายก็ไม่ได้ตุลากูตะกังสกูตะมานากูตาปฏิวิรตโตอโหสิงเป็นผู้เว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่างตุลากูตะ ตุลาก็ตาช่างกูตาแปลว่าโกงหมายถึงไปทำให้ตาช่างไม่ดีให้มันแข็งมันอ่อนผิดปกติกังสกูตาโกงด้วยของปลอมมานะกูตาโกงด้วยเครื่องตวงเป็นผู้เว้นขาดจากการโกงด้วยตาช่างโกงด้วยทำของปลอมเรียนแบบหรือว่าโกงด้วยเครื่องตวง อุโกโตนะวันชนะนิกติสาวิโยคาปฏิวิรโตอโหสิงเป็นผู้เว้นขาดจากการรับสินบนอุโกโตนะรับสินบนคือรับเงินรับทองหรือว่ารับคำรับคำบางสิ่งบางอย่างมาแล้วก็ทําอะไรให้เขาวันชนะงดเว้นจากการล่อลวงหลอกลวงนิกติสาวิโยขาการตลบตะแลงการ ทำอย่างหนึ่งโดยหลอกลวงเขาหลอกให้เขารู้สึกอย่างนั้นหลอกให้เขารู้สึกอย่างนี้นทำท่านั่งดีๆหรือว่ า, ท, าทำท่านั่งสวยๆเพื่อเขาจะได้เห็นว่าเรามีธรรมะนั่นธรรมะนี่จะได้เอาของมาถวายอะไรพวกนี้แล้วแต่ก็ ม, มีวิธีเยอะนะแต่ว่าท่านก็งดเว้นงดเว้น การรับสินบนล่อลวงหรือว่าการตลบตะแหลงหลอกลวงด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึง่งเฉนะทนาวทฒพันธนะวิปราโมสอาโลปะสหสาการาปฏิวิรโตอโหสิงเป็นผู้เว้นขาดจากการตัดเฉทนะการตัดหรือว่าใช้คนให้ไปตัดเอาอันนั้นมาอันนี้มาวะทฒการฆ่าไม่ว่าจะฆ่าสัตว์เล็กๆหรือว่าสัตว์ใหญ่ พันธนะการจองจำการจับสัตว์มาขังหรือว่าอะไรก็ตามแต่วิปราโมสะการชิงอาโลปะการปล้นสาสาการาการขู่กันโชคอย่างใดอย่างหนึ่งนะอันนี้ก็จะออกทำนองโจท์แล้วนะเนี่ยนะกเว้นขาดนะครับนะนีในพระสูตรนี้ท่านก็กล่าว สิกขาและฉาสาชีวะของภิกษุไว้ยี่สิบหกอย่างนะครับคาแปลก็มีอยู่แล้วนะอยู่ข้างหลังนะครับสาชีวะของพระภิกษุถ้าจะละเอียดก็ต้องไปอ่านในวินัยนะท่านก็ทำตามนั้นแหละแล่จริงก็คือการงดเว้นอันไหนที่มันไม่ดีออกไปนั่นแหละงดเว้นที่มันไม่ดีของเราคารวสถ้าจะฝึกฝนตามก็ข้อต่างๆที่ทำได้ก็ทำตามนั้นส่วนข้อที่เป็นของพระก็ เป็นของพระไปอย่างนี้นะครับแต่ตอนนี้เรากำลังเรียนของพระภิกษุนะเพราะว่าในเรื่องมีว่าภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ท่านพยากรณ์ว่าเป็นอรหันต์ก็เลยถูกตั้งคำถามว่าเนี่ยรู้อะไรบ้างรู้อย่างที่พระพุทธเจ้าบอกไหมจนตอนนี้มาถึงคำถามที่5กับคำถามที่6ว่ารู้อย่างไรเห็นอย่างไรจึงถอนอาหางการ ม, ามังกรและมานานุสัย ในกายที่ประกอบไปด้วยวิญญาณนี้แล้วก็นิมิตทั้งปวงข้างนอกได้ท่านก็เลยพูดถึงการฝึกฝนของตัวท่านเองจนกระทั่งเกิดความรู้เริ่มตั้งแต่ฟังธรรมออกบวชแล้วก็มาฝึกฝนตามแบบพระประกอบด้วยสิกขาและสาชีวะแบบพระนะครับสิกขาก็ตอนนี้ก็เริ่มพูดถึงเรื่องศีลและกายวาจาดีงดเว้น จากกายที่ไม่ดีงดเว้นจากวาจาที่ไม่ดีงดเว้นจากการเลี้ยงชีพที่ไม่ดีนะก็คือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนั่นเองนะครับต่อไปในหน้าที่5ย่อหน้าสุดท้ายเมื่อเป็นผู้มีศีลดีแล้วนะก็จะกลายเป็นผู้ที่มีความสุขมีความสบายในการใช้ชีวิตแหลนะเพราะว่าศีนั้นเป็นพื้นฐานที่ดีนะ ในย่อหน้าสุดท้ายนะครับอ่านพร้อมกันนะโสสันตุโธอะโหสิงกายะปริหาริเกนะจีวะเรนะกุจิปริหาริเกนะปินดาปาเตนะเยนะเยเนวะปักกมิงสมาดาเยวะปักกมิงเสยถาปินามะ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 เยนะเยเนวะปักกมิงสมาดาเยวะปักกมิงโสอิมินาอาริเยนะสีลักขันเทนะสัมนาคโตอาชัตังอาณวัชสุขังปติสังเวเดสิงนะครับในตอนต้นนี้ก็กล่าวถึงการฝึกฝนในศิกขาขั้นที่เป็นศีล เป็นขั้นการงดเว้นนะงดเว้นสิ่งที่ไม่ดีต่างๆ ง, งดเว้นกายที่ไม่ดีวาจาที่ไม่ดีแล้วก็การเลี้ยงชีพที่ไม่ดีที่ไม่ถูกต้องเมื่อมีศีลแล้วก็จะกลายเป็นผู้ที่มีความสุขมีความสุขในสิ่งที่ตนมีท่านเรียกว่าสันโดษนะโสสันตุโถะโหสิง กายปริหาริเกนะจีวะเรนะกุจิปริหาริเกนะปินดาปาเดนะเรานั้นเป็นผู้ที่มีความสันโดษด้วยจีวรพอห่มร่างกายด้วยบินธบาศพออิ่มท้องนอันนี้ก็คือเป็นผู้ที่มีศีลผู้ที่มีศีลนี้เขาจะเป็นผู้ที่มีความสุขในสิ่งที่ตนมีสําหรับพระก็มีน้อยมากนะเพราะว่า พระเนี่ยท่านไม่ให้มีสมบัติอยู่แล้วเพราะว่าอุตสาล ะ, ละกองพว ก, กสมบัติมากบ้างน้อยบ้างถ้ามาอยู่วัดแล้วสมบัติเยอะขึ้นก็ไม่รู้จะละมาทําไมนะ <c oughs> ท่านก็สมบัติน้อยมากไม่มีเลยว่ากันนั่นแหละนะท่านก็สันโดษยินดีพอใจในเนี่ยในน้อยนี่แหละด้วยจีวรพอหม่มร่างกาให้ร่างกายได้หายหนาวอบอุ่นป้องกันเหลือบดุงลมแดดด้วยบินทบาทพออิ่มท้อง พอให้ร่างกายมันพอเป็นไปได้กระจัดเวทนาเก่าไม่ให้เวทนาใหม่มันเกิดขึ้นนะเท่านี้ก็พอแล้วเยนะเยเนวะปักกะมิงต้องการจะไปยังที่ใดใดสมาดาเยวะปักกะมิงก็ไปได้ทันทีทีเดียวนะสบายนะเพราะว่าไม่มีสมบัติอะไรนะครับมีความสุขมีความสบายอยู่เท่านี้ก็ไปไหนก็ไปได้ไปไหนก็มีความสุขใช่ ไม่ต้องห่วงหน้าพวงหลังเลยสบายมากอันนี้เรียกว่าผู้สันโดษนะครับฉะนั้นสุขแบบสันโดษก็คือสุขในสิ่งที่ตนเองมีไปที่ไหนก็มีความสุขเพราะว่าขณะยังไม่ไปก็มีความสุขแล้วไปไหนก็ได้ก็มีความสุขตลอดใช้ชีวิตอย่างมีความสุขฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าเราเป็นคนมีศีลหรือเปล่าก็ตัวสันโดษนี่ก็เป็นตัววัดตัวหนึ่งสันโดษถ้าคาวาสเราก็มีอะไรเยอะหน่อยแหละตามธรรมดาเพราะว่าไม่ได้ละกองโพคะ ไม่ได้ละญาติออกไปใช่ไหมก็มีความสุขกับสิ่งที่ตนเองมีในเมื่อมีความสุขกับสิ่งที่ตัวเองมีเวลาหาก็มีความสุขเวลาไปไหนมาไหนก็จะมีความสุขอันนี้เรียกว่าสันโดษมีมากมีน้อยไม่เป็นไรนะครับตาของพระนี่อย่างท่านนี้นะท่านกล่าวถึงเป็นผู้สันโดษด้วยจีวรพอ่มกลุ่มร่างกายด้วยอาหารบินทบาตพออิ่มท้อง ต้องการไปในที่ไห น, ไหนก็ไปได้ทันทีอุปมาเหมือนว่าเสยถาปินามะปักขีสกุโนเยนะเยเนวเดติอุปมาเหมือนว่านกที่เป็นสัตว์มีปีกนกมีปีกนะนกไม่มีปีกก็บินไม่ได้ปักขีสกุโนนกมีปีกเวลาบินไปในที่ใดๆสปัป ต, ตะพาโรวเดติก็มี ปีกของตนเองเท่านั้นเป็นพาระแล้วก็บินไปเหมือนนกบินบินไปนะก็มีสองปีกบินไปเลยนะพระที่ท่านมีความสันโดษในปัจจัยมีศีลดีก็ทำนองเดียวกันท่านอยากไปในที่ไหนก็จีวรกับบาทก็ไปเลยสบายมากอย่างนี้เท่านั้นเองนะครับท่านก็อุปมาว่าเอวเมวโขอาหางอาวุโส สันตุโธอโหสิงกายะปริหาริเกณะจีวเรณนะกุตชิปริหาริเกณะปินตปาเตนะดูก่อนท่านผู้มีอายุเรานั้นก็ฉันนั้นเหมือนกันแหลเป็นผู้ที่มีความสันโดษด้วยจีวรพอห่มคลุมร่างกายด้วยอาหารบินท บ, บาทพออิ่มท้องเยะนะเยะเนวะปกระมิงต้องการไปในที่ใดใด สมาดาเยวะปกมิงก็ไปได้ทันทีโโอิมินาอาริเยนะสีลขันเทนะสมนาคโตเรานั้นประกอบด้วยสีลขันอันเป็นอริยะอย่างนี้อัดชัดตังอนะวัชชะสุขขังปฏิสังเวเดสิงก็รู้สึกเป็นสุขที่ประกอบอที่ไม่ประกอบด้วยโทษเป็นสุขชนิดที่ไม่มีโทษในภายในใจตนเอง ประกอบด้วยศีลอันเป็นอริยะนะอริเยณะศีลขันเทณะสมณากโตประกอบด้วยศีลขันอันเป็นอริยะอริยะแปลว่าห่างไกลาจากกิเลสห่างไกลาจากตัณหาทิฏฐิห่างไกลาจากความยึดมั่นถือมั่นท่านประพฤติปฏิบตัติหรือว่ารักษาศีลละความไม่ดีด้านกายวาจาและลการเลี้ยงชีพนี้ ไม่ใช่เพื่อจะมีชื่อเสียงหรือว่าไม่ใช่เพื่อจะเป็นคนดีอย่างโน้นอย่างนี้แต่เพื่อความพ้นไปแห่งทุกขเพื่อประพฤติพรหมจรรย์ให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์โดยครบถ้วนท่านมีวัตถุประสงค์อย่างนี้ศีลที่เป็นอย่างนี้ท่านเรียกว่าศีลขันธ์อันเป็นอริยะคือไม่ประกอบด้วยความยึดมั่นถือมั่นไม่ประกอบด้วยความอยากความต้องการไม่เป็นไปด้วยความรู้สึกว่ามีตัวมีตนแต่ว่าเป็นศีลที่เป็นพื้นฐาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกว่าไม่มีตัวตนมันจะกลับข้างกันแต่ถ้าเป็นศีลที่ทำเพื่อตัวเราให้เราได้นั่นได้นี่อันนี้เขาไม่ได้เรียกว่าอริยะศีลขันธ์อันนั้นเรียกว่าสิกขาบทธรรมดาธรรมดาแต่ตอนนี้พูดถึงอริยะศีลขันธ์ศีลขันธ์อันเป็นอริยะศีลชนิดที่ทาให้กายวาจาถูกต้องดีงามการเลี้ยงชีพถูกต้อง ไม่เบียดเบียนตนเองและคนอื่นแล้วก็ไม่เป็นไปด้วยอำนาจตันหาและทิฏฐิไม่เป็นไปเพื่อความยึดมั่นถือมั่นนะเมื่อประกอบด้วยอริยะศีละขันธ์อย่างนี้นะอัจชัดตังอนนวัชชะสุ ข, ขังปฏิสังเวเดสิงก็จะรู้สึกสุขแบบไม่มีโทษปฏิสังเวเดสิงคือรู้สึกหรือว่าประสบได้มาอนาวัชชสุขขัง ความสุขชนิดที่ไม่มีโทษอนัวัชชะคือไม่มีโทษไม่มีความเดือดร้อนใจมาภายหลังไม่มีว่ากลับไปคิดย้อนหลังแล้วเครียดตามไม่ใช่อย่างนั้นนะนนั้นถ้าเรามีศีลดีนะกายวาจาดีก็แค่ ง, งดเว้นเท่านั้นแหละไม่ได้ให้ทำอะไรมากหรอกงดเว้นของที่ไม่ดีออกไปถ้าจะพูดก็พูดแต่ของมันดีงดเว้นการกระทาที่ไม่ดีออกไปถ้าจะทาก็ทาแต่ดีอาชีพก็เหมือนกัน ถ้าเป็นผู้มีศีลจิตใจมีศีล น, นะก็จะรู้สึกเป็นสุขแบบไม่มีโทษไม่มีเครื่องกังวลหรือว่าไม่มีเครื่องมาทิ่มแทงใจไม่ต้องกลัวว่าคนนั้นจะว่าอย่างนี้คนนั้นจะขุดคุยเราอย่างโน้นอย่างนี้ไม่เกี่ยวนะอัจชัดตังคือภายในภายในใจของตนเองนะครับนี้แค่มีศีลก็มีความสุขระดับหนึ่งแล้วนะเรียกว่าอนาวัชสุขสุขชนิดที่ไม่มีโทษ ไม่มีความเร่าร้อนใจมาเบียดเบียนตนไม่มีความกลัวไม่มีความอึดอัดวุ่นวายนะเป็นความสุขชนิดสันโดษนะอยู่ที่ไหนก็เป็นสุขนะครับนี่ถ้ามีศีลดีอย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องว่าจะไปอบายตายแล้วจะไปโน่นไปนี่อะไรพวกนี้ไม่ต้องห่วงเพราะว่าศีนนั้นจะรักษาเอาไว้ให้เป็นผู้ที่ถ้าเกิดอีกก็เกิดในสุคติโลกสวรรค์นะครับ แต่ว่าท่านไม่ได้รักษาศีลเพื่อสุคติโลกสวรรค์หรอกรักษาศีลเพื่อเป็นบาดฐานของสมาธิเพื่อให้มีสติสัมปชัญญะมีจิตที่มีความตั้งมั่นเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับนี่นะในข้อแรกๆ ก, ก็กล่าวถึงการฝึกฝนเรื่องศีลต่อมาก็จะเป็นการฝึกฝนในธรรมะหัวข้อที่เป็นสมาธิเป็นการฝึกฝนเพื่อรู้ทันอภิชาโทมานัตแล้วก็ ฝึกฝนให้มีสติสัมปชัญญะเพิ่มขึ้นจนกระทั่งมีสมาธิแล้วก็มีปัญญาต่อไปอย่างนี้นะ